Thank you. ชายคนหนึ่งก็เป็นคนสนใจธรรมะพอสมควรแต่ว่าก็ไม่ได้ปฏิบัติธรรมะอะไรจริงจังนะก็แค่อ่านหนังสือธรรมะแล้วก็สนใจเรื่องราวของครูบาอาจารย์ที่เขาสายวัดป่ามีคราวหนึ่งก็ได้ไป ทางภาคอีสานนะไปกับเพื่อนๆนะเป็นคณะใหญ่แล้วก็ถือโอกาสได้ไปกราบาครูบาอาจารยนะ์ท่านหนึ่งนะซึ่งเป็นลูกศิษย์หลวงปู่มั่นแล้วเขาก็เชื่อกันว่าท่านเป็นพระอรหันต์แกก็มีความาตื่นเต้นนะที่ได้ไป ฟังธรรมจากท่านแล้วก็ที่พิเศษคือว่ายังมีโอกาสไปกราบท่านถึงตัวเพื่อ น, อนๆที่มาด้วยกันหรือแม้แต่คนอื่นๆนะที่มาฟังธรรมจากท่านก็ไม่มีโอกาสได้ไปกราบถึงตัวและทนก็สนทนาด้วยไม่ได้สนทนากับใครเลยนะสนทนากับผู้ชายคนนี้คนเดียว ใจก็ปรับปรืมมากมีความดีใจถึงกับพูดว่าเนี่ยชาญนี้ก็ไม่ได้หวังอะไรอีกแล้วนะได้มาสัมผัสได้กราบได้สนทนากับพระริยเจาย้านี่ก็ถือว่าเป็นที่สุ่ของชีวิตแล้วไม่ปรารถนาอะไรอีกแล้วหลังจากนั้นผ่านไป สิบปีหรือยี่สิบปีแล้วมั้งธุรกิจที่ตัวเองได้ทำจริงๆก็เป็นข้าราชการนะแต่ว่ามีงานเสริมก็คือการทำธุรกิจปรากฏว่ามันมีปัญหาถึงขั้นเป็นหนี้เป็นสินมากมายมีความทุกข์มากนะก็กลุ้มอกกุ้มใจมาก หาทางออกไม่เจอจนกระทั่งคิดถึงการฆ่าตัวตายแต่ว่านึกถึงลูกนะลูกก็ยังเรียนหนังสืออยู่ไอความคิดถึงลูกนี่แหละนะทำให้ตัดสินใจไม่ฆ่าตัวตายแล้วก็กลับมายืนหยัดนะสู้กับอุปสรรคจนกระทั่งค่อยๆ ผ่านพ้นปัญหาไปได้นะด้วยดีอันนี้ก็เป็นเรื่องที่แกเล่าให้ฟังนะฟังดูแล้วก็ได้มีข้อสังเกตยอยู่สองอย่างก็คือว่าตอนที่แกได้ไปกราบนะหลวงปู่ที่เชื่อว่าเป็นพระยศเจ้าเนี่ยแล้วก็มีความปราเพื่มดีใจจนถึงกับ นึกในใจว่าชาตินี้ไม่หวังอะไรอีกแล้วเนี่ยเอาข้อจริงก็ไม่ใช่อย่างนั้นนะอย่างนน้อยเนี่ยไอ้ตอนที่แกมาทําธุรกิจเนี่ยแกก็ต้องมีความคาดหวังว่ามันต้องเจริญรุ่งเรืองไม่งั้นเนี่ยแกไม่ถึงกับอยากจะฆ่าตัวตายเมื่อธุรกิจมันไม่เป็นไปอย่างที่หวัง เจ้าคนไม่มีความคาดหวังว่าธุรกิจฉันต้องเจริญก้าวหน้าเนี่ยนะถึงแม้มันล้มละลายไปก็คงจะไม่ได้เป็นทุกข์ขนาดหนักถึงขั้นจะคาดตัวตายอันนี้แสดงว่ามีความผิดหวังมากและที่ผิดหวังมา ก, กเพราะมันมันไม่สมหวังเนี่ยก็แสดงว่ามีความหวังไว้นะสูงทีเดียวอันที่บอกว่าชีวิตนี้ไม่มีไม่มีความปรารถนา อ, อะไรแล้วจริงๆมันก็เป็นแค่ ความรู้สึกชั่วครู่ชั่วยามคนเราเวลาเจออะไรที่ประทับใจถูกใจทำให้เกิดความปราเพิ่มใจแล้วก็มาจะคิดว่าเนี่ยคือที่สุดแล้วนะชีวิตนี้ไม่ต้องการอะไรอีกแล้วก็คงไม่ตาจากคนที่ถูกรถตรู้รางวัลที่หนึ่งนะเอาถูกหลายใบยด้วยนะได้เงินมาหลายสิบล้านสามสิบล้าน หลายคนคงคิดว่าเนี่ยชาตินี้ฉันไม่ต้องไม่ปาดไนตอะไรแล้วแต่เราก็รู้ว่างดีไม่ใช่หรอกเพราะว่าไอความสุขความปาบเพิ่มที่ถูกลอตเตอรี่เนี่ยมันไม่เคยยั่งยืนมันไม่ยืนนานก็ เ, เคยทําการสอบถามคนที่ถูกลอตเตอรี่สลากกินรวบสลากกินแบ่งในอเมริกายุโรปสอบถามเป็นพันคนเลยนะ แล้วก็ได้ข้อสรุปว่า 90% นะัหรือว่าเกือบจะร้อยทั้งร้อยเนี่ยไอ้ความดีใจหรือความสุขที่เกิดจากการถูกลอตเตอรี่เนี่ยมันอยู่ได้ไม่เกิน9เดือนอะไม่เกิน6เดือนหลังจากผ่านไปแล้ว6เดือนเนี่ยก็ความสุขหรือความดีใจมันก็จะกลับคืนมาสู่สภาพสภาวะเดิมก่อนที่จะถูกลอตเตอรี่ ทั้งที่หลายๆคนก็คาดหวังนะว่าขอชาตินี้ขอให้ถูกสักครั้งเนี่ยอถ้าถูกแล้วนี่ฉันจะไม่ต้องการอะไรอีกแล้วนะจริงๆแล้วเนี่ยมันก็มันไม่เป็นอย่างนั้นหรอกเพราะว่าพอหกเดือนผ่านไปนะหลังจากที่ถูกลอตเตอรี่แล้วเนี่ยจิตใจมัน ก, กลับมาสู่สภาพเดิมก่อนถูกลอตเตอรี่แล้วก็ย่อมต้องมีความหวังอย่างอื่นตามมาอีกมีความหวังอย่างนู้นอย่างนี้ตามมา มันไม่เคยสิ้นสุดนะะไอความปรารถนาหรือว่าความหวังเนี่ยแม้ว่าจะประสบกับความสําเร็จนะขั้นสุดยอดในชีวิตคนที่ได้ได้รับเลือกตั้งเป็นประธานาธิบดีอัตมาก็เชื่อหลายคนเนี่ยก็คิดว่าเนี่ยสูงสุดของชีวิตแล้วพอแล้วชีวิตนี้ไม่ต้องการอะไรอีกแล้วเอาข้างจริงมันก็ไม่ใช่หรอกพอหมดจากตําแหน่ง หรือระหว่างที่อยู่ในตําแหน่งก็ยังอยากได้นนท์ได้นี่อีกเพราะความอยากคนเราเนะี่ยโดยเพราะความอยากที่มันมาจากตัณหาเนี่ยมันไม่เคยพอสักทีหรือแม้แต่นะความสุขที่ได้จากการที่ได้กราบพระริยเจ้าอันนี้มันก็ประนีกว่าความสุขที่เกิดจากการที่ได้โชคได้ลาบนะแต่มันก็ไม่เคยที่จะยั่งยืนไอการที่เขาพูดว่าเนี่ยชาตินี้ไม่ต้องการนาเล็กแล้วมันก็เป็นแค่ ผู้จากอารมณ์ความรู้สึกชั่วครู่ชั่วยามนะและพออารมณ์นั้นหมดไปมันก็อยากได้อย่างอื่นอีกเช่นทําธุรกิจนะขณะทําราชการแล้วก็ยังเปิดเกิดกิจการทําธุรกิจก็ต้องมีความคาดหวังเนะี่ยเพราะถ้าไม่คาดหวังก็คงไม่ถึงกับผิดหวังจงกนกระทั่งอยากจะคาดตัวตายนี่ปร็นที่สองคือว่า ตอนที่เขามีความทุกข์กลุ้ม อ, อกกุ้ม อ, อกกลุ้มใจมากเนี่ยในการที่เขาได้ไปกราบพระริยาเจ้าเนี่ยประสบการณ์นั้นแม้มเป็นประสบการณ์ที่มีค่าแต่มันไม่ได้ช่วยเขาเลยนะมันไม่ได้ช่วยทําให้เขาเนี่ยรอดพ้นจากความทุกข์เลยแล้วสุดเขาจะไม่ได้นึกถึงด้วยซ้ำนะที่เขาไม่ได้ฆ่าตัวตายไม่ใช่เพราะไปนึกถึงพระริยาเจ้าองค์นั้นแต่เพราะเขานึกถึงลูกต่างหาก นึกถึงลูกทําให้ไม่ฆ่าตัวตายอันนี้ผมก็น่าคิดนะว่าจริงๆแล้วประสบการณ์งั้นเนี่ยมันมันมีค่าจริงหรือเปล่านะถ้ามันมีค่าจริงเนี่ยนะมันต้องช่วยแก้ชีวิตเขาได้ช่วยแก้ความทุกข์ของเขาได้ช่วยทําให้เขาเนี่ยเออได้สติไม่ฆ่าตัวตายแต่ว่าตอนนั้นนี่เขาไม่ได้นึกถึงหลวงปู่องค์นั้นเลยนะ นึกึกถึงสิ่งที่ใกล้ตัวมากกว่าแล้วก็สามัญมากกว่าคือลูกนะซึ่งก็ยังดีนะเพราะว่ามันทำให้เขาเนี่ยไม่คิดสั้นแต่มันก็ชวนให้คิดต่อไปว่าทำไมประสบการณ์ที่เขารู้สึกภาคภูมิใจมีความปิติปราโมทย์มากเนี่ยมันถึงไม่ช่วยเขาเลยในยานที่เขาทุกข์ทุกข์สุดขีด อันนี้ก็คงเพราะว่าประสบการณ์เราอย่างนั้นเนี่ยนะมันแม้มันจะหายากนะแต่ว่ามันไม่ได้เปลี่ยนจิตเปลี่ยนใจเขาเมื่อจิตใจเ้ายังเหมือนเดิมนะไม่ได้มีความเปลี่ยนแปลงอะไรยังยังเหมือนกับคนทั่วไปผู้ทุชนที่ยังยึดติดอยู่ในโลกธรรมแปดได้หลาบก็ดีใจ เสื่อมลาบก็เสียใจได้ยศก็ดีใจเสื่อมยศก็เสียใจถ้าหาว่าจิตใจไม่เปลี่ยนนะมันก็ต้องลงเอยก็ต้องอาจจะลงเอยนะอย่างเรื่องที่เล่าเนี่ยไม่วันใดก็วันหนึ่งเื่องการที่เราจะเอาจะเอาจะมีความปราบปื้มกับเหตุการณ์เหล่านี้เนี่ยมันก็ดีอยู่หรอกนะแต่ก็ให้ระลึกว่า มันไม่ใช่เป็นสารณะอันกเกษมนะมันไม่ใช่สารณ ะ, กะเกษมมันเป็นความดีใจช่วยครูช่วยยามหลายคนก็ไปนะไปหาที่แสวงหาจาริกไปตามสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ที่สําคัญทางศาสนาไปกราบครูบาอาจารย์ที่เขาเรียกว่าเป็นพระอาหารหันต์หรือว่าไปถึงประเทศอินเดีย ไปกราบสักการะบูชาสังเวชชนิสถานมันก็ดีอนะแต่ถ้าไปแล้วเนี่ยมันไม่เปลี่ยนจิตเปลี่ยนใจใตัวเองนะถึงเวลามีความทุกข์เช่นกิจการล้มละลายหรือว่าป่วยเป็นมะเร็งนะหรือว่าลูกมีอันเป็นไปเนี่ยมันก็ตกอยู่ในความทุกข์เหมือนเดิมนั่นก็หมายความประสบการณ์ เหล่านั้นแม้มันจะดีก็ตามแต่มันไม่ได้มีประโยชน์กับเราเท่าไหร่เลยถ้ามันมีประโยชน์เนี่ยนะมันก็หมายความมันสามารถจะช่วยเราแก้ทุกข์ได้หรือช่วยทําให้เราเราลึกนึกถึงเราเริ่นึกถึงแล้วทําให้เกิดได้สติขึ้นมาอะแต่คนส่วนใหญ่ก็ไม่ได้ประโยชน์ในแง่นั้นเท่าไหร่นะพอกลับมาแล้วก็ยังทุกข์เหมือนเดิมนอันนั่นแปลว่า เพียงเท่านี้ยังไม่พอนะเพียงเท่านี้ไม่พอต้องทำมากกว่า น, นั้นนะจะไปกราบพระอริยเจ้ายังไงก็ตามนะจะไปทําบุญเก้าวัดนะไปกราบพระอริหารพระอรหันต์เก้าสิบเก้าองค์ตามที่ตัวเองเข้าใจเนี่ยแต่ถ้าเกิดว่าจิตใจไม่เปลี่ยนยังไม่มีปัญญานะที่จะเข้าใจความจริง หรือสัจธรรมของชีวิตเนี่ยยังไม่รู้จักที่จะปลดเปลื้องความทุกข์ออกไปจากใจได้ยังมีความยึดติดถือมั่นถ้าถึงเวลาทุกข์ก็หรือถึงเวลาประสบกับสิ่งที่ไม่ไม่เป็นไปอย่างที่คาดหวังประสบกับสิ่งที่ไม่รักไม่พอใจพัดพลาจากสิ่งที่รักที่พอใจอย่างที่เราสวดทุกเช้าเนี่ยก็ต้อง เกิดความโศกความร่มำไนําพันความไม่สบายกายความไม่สบายใจความขับแค้นใจทั้งนั้นหรือดึงฆ่าตัวตายเพราะฉะนั้นเนี่ยนะเราอย่าไปพอใจเพียงเท่านั้นจะไปพอใจกับประสบการณ์เพียงเท่านั้นเพราะว่าความจริงมันก็ยังไม่สามารถจะช่วยดึงเราจากความทุกข์ได้จนกว่าเราจะ ปฏิบัติธ ร, รนะเพื่อให้เกิดความเปลี่ยนแปลงในจิตใจของเรามันต้องทำด้วยตัวเองนะอย่างที่บอกไว้เมื่อวานเนี่ยธรรมะนี่มันเป็นเรื่องการทำไม่ใช่เป็นเรื่องของการไปไปที่โนนที่นี่ไปอา่าไปกราบครูบาอาจารย์พริยเจ้าหรือไปกราบสักการะบูชาพระบรมสารีริกธาตุ ถ่าว่าไปกราบแล้วนะถึงเวลาทุกข์นะถึงเวลาจะถึงเวลาป่วยถึงเวลาสูญเสียถึงเวลาพัดพราจากของรักเนี่ยเออระลึกได้นะระลึกถึงพระบรมสารีริกธาตุระลึกถึงเจดีย์พุทธคยาระลึกถึงพระอาหารที่ไปกราบแล้วทำให้เกิดได้สติเกิดกำลังใจมีความเพีย รู้จักเปลี่ยนทุกข์ให้กลายเป็นธรรมะ อ, อย่างเงี้ยถึงจะมีประโยชน์แต่ส่วนใหญ่ก็ไม่ได้ไม่ได้เกิดประโยชน์ในลักษณะนั้นเลยนะไม่ได้บอกว่าไม่ดีนะมันดีแต่ว่ามันไม่พอมันต้องเข้ามาสู่การปฏิบัตินะให้เกิดความเปลี่ยนแปลงที่จิตที่ใจของตัวเองนะแล้วก็อย่างที่บอกไปก็คือว่ามันไม่ใช่แค่ทาความดี นะทำบุญทำบุญหรือทำสมาธิแต่ท้องทำให้ใจเนี่ยมันเห็นเห็นเห็นสัจธรรมหรือทำให้จิตเนี่ยมีความตั้งมั่นมีอะไรมากระทบก็ไม่หวั่นไหวมีพระสูตรหนึ่งนะที่พระเจ้าได้ตรัสกับภาษาวกก็น่าสนใจท่านก็ยกตัวอย่างว่าถ้ามีชายคนหนึ่งเอาจอบมาขุดแผ่นดิน แล้วก็เอาขยะนะถมลงไปใสยลงไปในแผ่นดินนั้นแล้วก็บอกว่าเราจะทําให้เจ้าเนี่ยไม่ใช่แผ่นดินนะเอาขยะเอาอุจลาปสาัสสาวะใสยลงไปเอาซากพืชซากสาัตว์นะยัดลงไปในแผ่นดินแล้วก็บอกว่าเนี่ยเจ้าแผ่นดินเนี่ยนะเราจะทําให้เจ้าไม่ใช่แผ่นดินแล้วผู้จ้าก็ถามว่าถามพระสาวว่า ชายพูดนั้นเนี่ยจะทำสำเร็จหรือไม่ภาษาวอกก็ตอบพร้อมกับว่าไม่สำเร็จแผ่นดินก็ยังเป็นต้องแผ่นดินนะอยู่นั่นเองหละะังจากนั้นพระจ้าก็เลยตรัสว่าเนี่ยเมื่อใดก็ตามที่มีคนมาต่อว่าด่าทอเราก็ให้รักษาใจเนี่ยใช้ตั้งจิตว่า หรือทําใจว่าใจเราจะไม่แปรผันจะไม่มีจิตคิดร้ายจะมุ่งอนุเคราะห์เกื้อกูลคนเหล่านั้นหมายถึงคนที่ต่อว่าด่าทอเราจะมีจิตแผ่เมตตามไม่มีประมาณเหมือนแผ่นดินอันนี้พระเจ้าสอนว่าให้ทําใจเหมือนแผ่นดินนั่นเองแผ่นดินเนี่ยนะมันใครมาทํำยังไงกับมันมันก็ยังเป็นแผ่นดินอยู่นั่นแหละไม่มีทางเป็นอื่นไปได้แม้คนที่ ประสงค์ร้ายต่อแผ่นดินจะพยายามทำยังไงก็ตามให้เราเนี่ยรักษาใจของเราเหมือนแผ่นดินนะก็คือไม่หวั่นไหวไม่แปรผันไม่มีจิตคิดร้ายนะมุ่งอนุเคราะห์เกื้อกูลคนเหล่านั้นแล้วพระเจ้าก็ยกตัวอย่างตัวอย่างหนึ่งนะคืออากาศเนี่ยมีชายผู้หนึ่งเอาสีมาสีเหลืองสีแดงสีครั่งนะเพื่อที่จะวาดรูปในอากาศเอาสีนี้มาวาดให้เป็นรูปเป็นภาพในอากาศ นะเพื่อทำให้อากาศเนี่ยมันแปลเปลี่ยนไปผู้เจ้าถามว่าทำได้ไหมพระสาวกตอบทำไม่ได้พระเจ้าค่ะเพราะว่าอากาศก็ยังเป็นอากาศอยู่นั่นเองไม่มีรูปไม่มีสีใดที่จะทำให้อากาศเนี่ยมันมันแปดเปลื่นไปด้วยรูปได้หรือแปดเปลื่นไปด้วยสีได้ผู้เจ้าก็ตัดอีกเหมือนกันว่าเนี่ยให้รักษาใจเนี่ยนะนะมั่นคงนะมีจิตไม่แปรผัน ไม่กล่าววาจาชั่วหยาบมุ่งอนุเคราะห์อนุเคราะห์เกือ้อกูลคนเหล่านั้นนะแม้เขาจะพูดร้ายทําร้ายเราอย่างไรก็ตามให้มีจิตอนุเคราะห์เกือ้อกูลมีจิตเมตตาไม่มีประมาณเหมือนกับอากาศนะาพระองค์ก็ตัดนะอีกยกตัวอย่างนึงก็คือแม่น้ําคงคาเนี่ยมีชายผูหนึ่งพยายามที่จะเอานะเอาขยะเอาอะไรต่ออะไรนะเอาไม่ใช่ขยะ เอาไฟเนี่ยนะเอาหญ้าแห้งเนี่ยนะมาสุมเพื่อที่จะเผาหรือว่าทําให้แม่น้นําคงคาเนี่ยมันเดือดจะเอาไฟสุมให้แม่น้นําคงคาเดือดเนี่ยเพื่อจะได้ไม่เป็นแม่น้นําคงคาต่อไปเนี่ยพระองค์ถามว่าจะทําได้ไหมนะพระสาก็ตอบทําไม่ได้พระเจ้าค่ะพอแม่น้ํานี่ก็กว้างใหญ่หรือประมาณอ่า หลังจากนั้นเพราะพระพุทธเจ้าก็ตัดว่าฉันได้ก็ฉันนั้นเมื่อมีใครต่อว่าด่าทอเราก็ให้รักษาจิตไม่ให้แปรผันไม่กล่าววาจาชั่วห ย, ยามนะมุ่งอนุเคราะห์เกือ้อกูลคนเหล่านั้นให้แผ่เมตตาจิตไม่มีประมาณเหมือนแม่น้ํำนะอันนี้แหละก็คือนะจุดมุ่งหมายก็ได้นะของชาวพุทธเราก็คือว่า ไม่เพียงแต่การทําบุญนะการรักษาศีลนะแต่ว่าจะต้องอปฏิบัติจนถึงขั้นเกิดความเปลี่ยนแปลงทางจิตซึ่งการเปลี่ยนแปลนั้นเนี่ยมันก็เกิดขึ้นจากการที่นะเห็นความจริงเห็นสัจธรรมเห็นสัจธรรมในแง่ที่ว่าคาต่อว่าด่าวทอพวกนี้มันเป็นโลกธรรมนะมันเป็นธรรมดาโลกและขณะเดียวกันก็ เห็นความจริงเกี่ยวกับตัวเองว่าจริงๆแล้วนี่มันมันไม่มีตัวเรามันไม่มีตัวกูที่จะยึดยึดมันสําคัญหมายได้ถ้าไม่มีตัวกูแล้วเนี่ยใครจะด่าอะไรไปเนี่ยมันก็โดนไม่ถูกตัวหมดอที่เราเป็นทุกข์เวลาถูกต่อว่าด่าทอเพราะยังมีตัวมีตนขก็พูดอะไรไปมันก็กระทบตัวกระทบตนหมดต่อเมื่อไม่มีตัวไม่มีตนนะ ใครพูดอะไรไปคำพูดนั้นเนี่ยแม้จะเผ็ดร้อนแค่ไหนมันก็ไม่กระทบตัวไม่ถูกตัวผลก็คือไม่มีความทุกข์เนี่ยอันนี้ก็เป็นเรื่องการที่เห็นความจริงนะทางความจริงที่อยู่รอบตัวซึ่งเป็นเป็นธรรมดาของมันว่ามีลาบก็เสือมลาบมียศ ก, ก็เสือมยศนะสารเสรินนิทานเป็นของคู่กันเห็นความจริงเกี่ยวับตัวเองว่ามันไม่มีตัวตนอะไรที่จะยึดมั่นถือมั่นได้ อันนี้การเมื่อมีความเปลี่ยนแปลงอย่างนี้แหละนะมันถึงจ ะ, ะไม่มีความทุกเวลามีอะไรมากระทบนะแต่ถ้าเกิดว่าเราเอาประสบการณ์จากการที่เราได้ไปกราบพระอระหันต์ไปบูชาสักการะพระบรมสารริกธาตุนะไปสังเวยชนสถานแล้วทาให้เกิดแรงบันดาลใจนะทาให้เกิด ความเพียรพยายามในการที่จะฝึกฝนพัฒนาจิตพระจพัฒนาใ จ, นาจเนี่ยเป็นเรื่องดีจากสุดถึงสุดท้ายเนี่ยก็คือการรักษาใจน่แหละเพราะว่าใจเนี่ยสำคัญที่สุดคนเราจะทุกข์หรือไม่มันอยู่ที่ใจนะอย่างที่มีพุทธภาศิศวตว่าทำทั้งหลายมีใจเป็นใหญ่มีใจประเสริฐสุดสำเร็จได้ด้วยใจทำทั้งหลายนี่ก็รวมถึงความสุขและความทุกข์ความสุขก็อยู่ที่ใจนะความทุกข์ก็อยู่ที่ใจไม่ได้อยู่ที่สิ่งอื่น ทุกกายนะแต่ว่าถ้าใจไม่ทุกเนี่ยมันทนหวนะอย่างที่เขาว่าเนี่ยอครับที่อยู่ได้ครับใจอยู่ยากคับที่เนี่ยนะแต่ว่าใจไม่คับนะใจเป็นอิสระก็อยู่ได้บางคนติดคุกนะอย่างคารทีเนี่ยติดคุกนะอันนี้เรียกว่าครับที่นะแต่ว่าเขามีความสุขมากเพราะว่าใจเขาเป็นอิสระนะคารทีเคยบอกกับ ส, สามนุสิได้ซ้ําว่าเนี่ย เวลาเข้าคุกอย่าไปกลัวนะบอกว่าให้ให้เดินเข้าคุกเหมือนเจ้าบ่าวเดินเข้าเดินหอเจ้าสาวนะเจ้าบ่าวเวลาเดินเข้าเรือนหอเจ้าสาวมีความสุขมากเลยยินดีเนี่ยก็ให้เข้าคุกแบบนั้นแหละทํอย่างั้นได้เพราะว่าใจเป็นอิสระมันขังได้แต่ตัวแต่ใจเนี่ยเป็นอิสระคือว่าคับที่ก็จริงแต่ใจไม่ขับแต่ถ้าเกิดว่าอยู่ในปราสาทราชวังแต่ว่าขับใจนะโอ้มันทรมานนะมันทรมานมากกว่า เรื่องใจสำคัญเกิดความทุกข์ทางกายแต่ใจเนี่ยนะเป็นปกติเนี่ยมันก็อยู่ได้นะไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นกับกายก็ตามแต่ถ้าใจเนี่ยมันเริ่มแย่แปรผันเนี่ยนะอันนี้แหละหนักเลยที่ประเทศเดียรมีพระที่เบตท่านหนึ่งน ะ, ะเรียกว่าลีพายมาก็แล้วกันหรือว่า ย้ายนท่านเคยอยู่ที่เบตสมัยหกสิบปีที่แล้วเนี่ยท่านถูกทหารจีนจับทรมานเราคงทราบว่าเมื่อหกสิบปีที่แล้วเนี่ยจีนนี่ยเข้าไปยึดครองที่เบตหกสิเจ็ดสบปีที่แล้วเนี่ยทาลัยลามา ก, ก็ต้องหนีมาอยู่ประเทศอินเดียเพราะว่าจีนเขาต้องการยึดครองที่เบตแล้วก็เปลี่ยนที่เบตให้เป็นคอมมิวนิสต์เหมือนกับส่วนอื่นของประเทศแล้วก็เห็นศาสนาเนี่ย เป็นสิ่งที่ต้องทําลายเห็นพระต้องกําจัดถ้าพระรูปไหนไม่ปฏิบัติตามนิยบายของรัฐบาลก็จับขังและทรมานไม่ีพระรูปหนึ่งเนี่ยนะท่านถูกขังแล้วก็ถูกทรมานเนี่ยท่านเป็นพระผู้ใหญ่ก็คงจะระดับลินโปเช่นะลินโปเช่นี่เป็นพระผู้ใหญ่ตอนนั้นท่านก็ยุ่ไม่มากคงสักยี่สิบยี่สิบสามสิบเนี่ยท่านไม่ยอมปฏิบัติตามคําสั่งหรือนิยบายของพรรคคอมมิวนิสต์จีน เลยถูกจับเข้าคุกแล้วก็ทรมานถึงยี่สิบปีนะอยู่ในคุกนานถึงยี่สิบปีก็โดนนานาสารพัดแหละตอนหลังก็ออกจากคุกแล้วก็ทุกท่านท่านก็รีภัยมาอยู่ที่ธรรมศาลาประเทศอินเดียก็มีคนไปถามท่านว่าไอตอนที่ท่านถูกขังและทรมานเนี่ยในคุกเนี่ยท่านกลัวไหมจริงๆไม่น่าถามนะท่านกลัวไหม ท่านพยักหน้าแล้วท่านก็บอกว่าสิ่งที่ท่านกลัวที่สุดนะก็คือกลัวว่าจะเกลียดคนที่ทรมานท่านท่านไม่ได้กลัวถูกทรมานนะแต่ท่านกลัวว่าจะเกลียดคนที่ทรมานท่านาเป็นคําถามที่น่าทึ่งเป็นคําตอบที่น่าทึ่งมากไม่ได้กลัวว่าจะถูกถูกโบยตีไม่ได้กลัวว่าจะถูกฟ า, าดนะหรือว่าถูกอ่ บังคับให้อดอาหารแต่กลัวว่าจะเกลียดคนที่ทรมานท่านทําไมทําไมท่านึงกลัวมากเพราะว่าถ้าเกลียดแล้วเนี่ยนะประการแรกคือว่ามันก็ทําให้เกิดจิตพยาบาทแล้วก็ทําให้อยากจะทําร้ายคนเราเมื่อเราเกลียดแล้วเนี่ยถ้าเกลียดมากๆเนี่ยมันอยากจะทำร้ายนะและถ้ามีโอกาสก็จะทําซึ่งสําหรับท่านก็ถือว่าเนี่ยผิดศีลเพราะว่าท่านเนี่ยขนาดยุงก็ไม่ตบมดก็ไม่บี้ มแมลงก็ไม่ไม่ทำทำร้ายเขาแต่ถ้าเกิดว่าไปทําร้ายคนที่ทรมานท่านเนี่ยอันนี้มันบาปเลยนะและจะทำร้ายแล้วก็เพราะความเกลดความกลัวเนี่ยเพราะนั้นเนี่ยท่านถึงกลัวไงกลัวว่าถ้าเกลียดแล้วเนี่ยมันก็จะนําไปสู่การผิดศีลการทําบาปท่านกลัวบาปมากกว่ากลัวที่จะถูกทรมานนะอันนี้เป็นเป็นชาวพุทธชั้นดีมากเลยจะถูกทำร้ายยังไงก็ไม่เป็นไรนะ แต่ที่ฉันกลัวมากสุดคือการไปทำลายคนอื่นตอบโต้เขากลับกลัวกลัวทำบาปอีกเหตุผลหนึ่งนะอันนี้ทําไม่ได้อธิบายแต่ว่าก็พอจะคาดเดาได้คือว่าถ้ามีความกลัวเกิดขึ้นเมื่อไหร่หรือความโกรธเนี่ยนะใจจะเป็นทุกข์มากเลยทุกข์กายเพราถูกทรมานนี่ยังยังพอทนไหวนะแต่ถ้ามันทุกข์ใจเนี่ยนะมัน มันมันก็ตกนรกกันนะคนร้อนเนี่ยทุกข์กายเนี่ยมันก็ทนไหวทั้งนั้นนะถ้าใจาปกติแต่ที่มันแยกเพราะว่าใจก็แยกไปด้วยคนที่เป็นมะเร็งเนี่ยนะมีทุกขเวทนามากเนี่ยหลายคนเนี่ยเขาทนไหวนะเพราะว่าทุกแต่กายแต่ใจไม่ทุกหรือว่ากายป่วยใจยไม่ป่วยแต่ที่ว่ามันทรมานนะแล้วก็อดครวนเนี่ยก็เพราะส่วนใหญ่เนี่ยเป็นเพราะ ใจมันทุกข์ด้วยใจมันป่วยด้วยป่วยกายไม่เท่าไหร่นะป่วยใจนี่หนักกว่าบางคนเนี่ยกายไม่ปวดนะแต่ใจมันทรมานนะทรมานเพราะมีความวิตกกังวลมีความกลัวมีความตนกถึงแม้จะไม่มีทุกขเวทนาเลยนะแต่ว่าถ้ากลัววิตกเนี่ยตายนะบางทีตายเพราะความตื่นตนกตกใจอย่าง อาจารย์ประเวศวสัสรีเคยเล่าให้ฟังมีนักธุรกิจคนหนึ่งเนี่ยแกก็ออกกำลังกายด้วยการเล่นเทนนิสเป็นประจำนะวันนึงก็ไปตรวจสุขภาพตรวจเสร็จหมอบอกว่าคุณหัวใจรั่วแกตกใจมากเลยในความคิดของแกหัวใจรั่วคือหัวใจเป็นรูแล้วก็พอหัวใจเต้นมันก็สูบฉีดโลหิตทำให้เลือดเนี่ยรั่วพุ่งกระโูดออกมาจากหัวใจ อย่างนี้ก็ตายสิแก่ใจเสือเลยนะจริงๆหมอหมอต้องใจจะบอกว่าแกลิ้นหัวใจรั่วแต่หมอพูดไม่ครบนะพอแกได้ยินแกก็ปรุงแต่งไปเนี่ยบอกว่าสองวันหลังจากนั้นแกก็ต้องเข้าโรงพยาบาลแ ล, ละหลังจากนั้นไม่กี่วันแกก็ข้ของ้อซ ICU แล้วก็ไม่ออกใหม่เลยคือตาย จริงลิ้นหัวใจรั่วนี่นะยังใช้ชีวิตตามปกติได้ยังออกกำลังกายได้เล่นเทนนิสก็เล่นได้จริงแกไม่ได้เป็นอะไรมากแต่ว่าใจเนี่ยใจมันเกิดความวิตกกังวลอย่างหนักเนี่ยกายไม่เป็นไรแต่ใจเนี่ยป่วยหนักตายเลยในทางตรงข้ามแม้ากายเนี่ยมันจะแย่อย่างไงแต่ใจเนี่ยนะเป็นปกติเนี่ยมันทนไหวนะด้วยเหตุ น, นี้แหละน ะ, ะลามะท่านเนี่ยท่านยงบอกว่าเนี่ยไอ้สิ่งที่ ที่ท่านกลัวมากสุดคือกลัวว่าจะเกลียดคนทรมานท่านเพราะว่าถ้ามีความเกลียดอยู่ในจิตใจเนี่ยนะมันจะทนได้ยากนะมันจะทรมานมากเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยท่านพยายามรักษาใจไม่ให้เกลียดไม่ให้โกรธทนะหารจีนที่ทรมานท่านซึ่งก็คิดว่าท่านคงทําสําเร็จนะนะเพราะว่าท่านก็ไม่ได้มีความรู้สึกพยาบาทคนเหล่านั้นเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยเนี่ยตลอด คนที่มีปัญญาเนี่ยถ้าเข้าใจความจริง เ, เกี่ยวความทุกข์แล้วเนี่ยสิ่งที่เขาเป็นห่วงมากกว่าเนี่ยไม่ได้ห่วงว่าจะมีใครมาทําร้ายเขาไม่ได้ห่วงว่าจะมีเหตุร้ายเกิดขึ้นกับเขาแต่ห่วงว่าใจเขาเนี่ยจะแปรผันใจเขาจ ะ, ะมีความโกรธความเกลียดมากกว่าหรือว่ามีความตื่นตหนกตกใจมากกว่าแล้วเมื่อห่วงตรงนี้เนี่ยก็ จะต้องก็ย่อมจะเห็นความสําคัญของการที่จะมาฝึกจิตฝึกใจตัวเองนะนะถ้าจะอธิษฐานหรือจะขอเนี่ยก็จะขอว่าเนี่ยขออย่าให้นะมีอ่าจิตใจที่แปลผันขออย่าให้มาเนี่ยมันได้ช่องยอย่างที่เราสวดอ่ากรวดน้ําตอนเย็นเนี่ยถ้าสวดเต็มที่มันจะมีตอนนึงว่าโอกาสจะพึงมีแก่มุมารสิ้นทั้งหลาย เป็นช่องประตุสลายทำลายล้างความเพียรจมแล้วก็ผู้นี่ยด้วยเดบุญทั้งสิบป้องนะอย่าเปิดโอกาสแก่มารเทินคือไอเรื่องความเสื่อมลาบเสื่อมย่นนี่ไม่สําคัญจากนี้มาคือว่าใจเนี่ยมันจะเปิดช่องให้มารเข้ามาหรือเปล่าหรือเปิดช่องให้ความโกรธความเกลียดเข้ามาไหม ส, หสำหรับชาวพุทหรือสําหรับผู้ที่มีปัญญาเนี่ยกลัวตรงนี้มากกว่ากลัวว่าใจมันจะเปิดช่องให้กิเลส เปิดช่องให้ความโกรธความเกียดเข้ามาเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ต้องหาทางรักษาใจไม่ให้มันมีจุดอ่อนหรือเปิดจุดอ่อนให้ใหความโกรธความเกียดหรือมารเข้ามาแะที่เรามาปฏิบัติก็กเพื่อ น, นี้แหละนะเพื่อให้มีสิ่งรักษาใจนะนั่นคือสติสปัฏฐัญะนะซึ่งพุทธเจ้าทวดเป็นธรรมที่มีอุปการะมากคำนี้ก็เกียเท่านี้นะกราบครบ